มันไปไม่ได้ได้เห็นเป็นกายเป็นใจถ้าเจ็บก็คือเจ็บถ้าหิวก็คือหิวถ้าทุกข์ก็คือทุกข์ถ้าโกรธก็คือโกรธ ถ, ถ้าหลงก็คือหลงถ้าเห็นเป็นกายเป็นใจหมดไปกับอาการต่างๆมากมายแปดหมื่สี่พันอย่างกิเลสก็พันหน้าตัณหาก็ร้อยแปด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 รูปทำนามทำมันทำอะไรมันเหตุอยู่ที่ไหนมันก็สาเร็จทาชั่วก็สาเร็จทาดีก็สาเร็จได้รูปทานามําเป็นความยิ่งใหญ่ธรรมชาติสู่ธรรมชาติเราก็ต้องมีสติเห็น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 ให้มันเห็นตามธรรมชาติของเขาเราจรึงจะได้เหนือมันมาแช่มันเหนือเราเห็นรูปทุกเห็นนามทุกยิ่งดีก็ตือเรือลน้นก็ตือเือล้นขนส่งเห็นไหลพ้นไปเห็นไหลพ้นไปได้เมื่อเกิดการเห็นเป็นอาการแล้ง่ายเห็นแล้วไม่เป็นเนี่มันง่าย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 มีเงินชื่อข้าวจินไม่ได้ต้องหาเงินเอามาจ่ายเลยเาเทความหิวไปได้ถ้าคนหิวไ ม, ม่มีอะไรจ่ายก็ไม่ได้จินเหตุปัจจัยมันไม่มีมนี่คือโจนคนหลงคือโจนคนโกรธคือจนคนทุกข์คือจน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 ถ้ามองเห็นเชื้อของมวกต้นไมยก็ขึ้นไม่ได้มันคุมหมดต้นไม้ก็ตายถ้าต้นไม้ไม่ตายมันก็น้ำหนักแล้วดูผลเราดูผลเช่นนี้มันหนักโค่นลงมาอยู่ไม่ได้แล้วก็ไม่ประโยชน์ต้นเม้ใหญ่ๆก็ตายเพราะเถาหวันน้อยๆเกิดขึ้นน้อยไม่ใหญ่ เล็กหัวต้นไม้แต่มันมีอำนาจควบคุมได้ตัดมันแล้ว อ, อาธรรมทั้งหลายย่อมธรรมทั้งหลายย่อมชนะธรรมก็เหมือนกับว่าย่ารู้สึกตัวความหลงตัวเหมือนกับวิชาอาวิชาอาวิชาเนเหมือนกับป่าในชีวิตเรา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 สิ่งใดมีสึ่งใดไม่มีฉันนั้นหมดไปมันก็พิสูจน์ได้ต่างเก่าคนว่าเดิมพอถึงกระบวนการลือถอนในรูปทุกข์ในนามทุกข์เนี่ยอะไรที่เหมารุหมดไปความทุกข์บางอย่างไม่ต้องแต่ต้องมันมหล่นไปเองไม่มีที่ตั้งให้อยู่ไม่ได้ความทุกข์บางอย่างต้องเกี่ยวข้องกับมันบ้าง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 กฎธรรมชาติไม่ต้องทำอะไรกันเลยเบอนการลื้อทุกนอกจากเบอนการลื้อทุกเห็นรูปทุกนามทุกโลเห็นสมมติตัวเนี้ยเห็นสภาพสมมติเนี่ยจืดไปเลยเห็นแล้วไม่พอทำไมจืดไปนานไม่มีรสชาติแล้ว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 ร่างไปอีกเ <c> ห <oughs> มือนกับรักษาโรกซ้ำลงไปก็ให้เกียมเงินเรไม่พอเอาหลังือข้าวมันลงไปร้างบางมั น, มน <c oughs> อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เชื่อโลกอันนี้ก็อโลขยะประมาลาภารความไม่เป็นโลกนะ ว, ว่าธรร ม, มเนี่ย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 นี่คือจิตทของเราเรามีจิตทีจริงจริงชีวิตนี้เมื่อมีสิตที่ลงอิเปรเจนเห็นสมมุติเห็นมันหยาิเห็นปรัมมตดซ้ำลงไปอีกนั้นจริงตามสมมุติมันไม่จริงตามปรัมมัดเวียนอยู่ตรงนี้เช่นเห็นใจลักน่ยก็ไม่เที่ยงกทบตัวตนไม่ใช่ตัวตนหลายโลก เห็นที่เดมมันผ่านไปมันเกี้ยงไปเกี้ยงไปเหมือ น, นเรากวดบ้านหรือถูเรือนถูรลบเดียวไม่จอดรลบที่สองรบที่สามสี่รอบห้ารบมันก็สาดได้ด้านหน้าแปงงพานเหมือนกัน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 คิดต้นเดาคาดคะเนรเอาจึงมามีสติเห็นเนี่ยมีกายก็มีกันทุกคนใจก็มีกันทุกคนนี่แหละหลักสูตรมาชัดแจ้งออกมาให้เราศึกษามานันให้เราเห็นอย่าหลบหลีกอย่าหลบลีกอ ย, ลลอย่าทำให้ไม่ชัดแจง้งทำให้มันแจง้ง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 ต่อไต่เต้าไปจากกายเคลื่อนไหวเดินจงกรมยกมือช่างจะวาหายใจเข้าหายใจออกต่อไปมันก็ไม่ต้องไม่ต้องอาศัยอันนี้แล้วไปเห็นเทาเลยเพราะว่าที่ดูที่เห็นนี่มันก็เป็นตรงเข้าไปเลยต่อหน้าต่อตามันโชว์อวาการอะไรอาการนิ้บเกิดกระกายจากกาิตนี่มันโชว์มาก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 ที่สุดมันก็โชว์สุดสุดท้ายนะนเบชนาสัญญาสังขารวิญญาณโชว์จนานที่สุดท้ายนะงานชิ้นสุดท้ายเลยละ่ะขันห้าเนี่ยอะไรก็จบไปแล้วอะไรก็จบไปแล้วแต่ยังเหลืออยู่ในขันทน้าเนี่ยรูปเวชนาสัญญารูปไม่ใช่ร่างกายได้ไหมนะอะไรที่มันเกิดขึ้น ที่มันสัมผัสได้ถือว่ารูปทั้งนั้นเสียงก็เป็นรูปกลิ่นก็เป็นรูปอารมณ์ก็เป็นรูปความคิดก็เป็นรูปสัมผัสเจ็บปวดได้เวทนาสัญญาขันธ์เวีญนญาณรูปเนาะมันโชว์ตรงนี้อะไรก็หมดแล้วเหลือตรงนี้มันโชว์โชว์บอเบาไม่ใช่โชว์หนักโชว์บาเบาค อ, อยดูคนมีสติดูสติปาณีท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 พอกเพิ่มนิดหน่อยน่ากองพอใจขพอใจประมา ก, มการนาพอใจรยเปเอใจสักเจ็ดาเปอร์เซ็นพอใจสักห้าอนินิดหน่อยนักกต่างเก่าเรียกว่าสวักดยานทาให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 เห็นตรงที่หมดไปมันแล้วมันแล้วตรงที่ยังเหลืออยู่ก็ยังไม่ลึไม่เท่าไรนิดหน่อยเหนือนพระอนุ์เป็นพระเป็นโพตุชนแต่เป็นพระผุ้สจะทำสังเกนาอะหังทั้งหลายขาดอันมันไม่ได้ก็อนุนจำได้มากก็เป็นพระอุปถา ขอพรจากพระเจ้าถ้าจะให้เป็นอุปถากขอพรจากพระเจ้าว่าเมื่อพระองค์ไปแสดงท่าที่ใดขอให้ติดตามไปด้วย้าสงทั้งหลายพระเจ้าไปถามว่าทำไมจึงขออย่างนั้นถ้าเป็นอุปถากแล้วพระเจ้า แสดงทำอะไรไม่รู้มไม่รู้วจเป็นพระอุปถาประทำมาเพื่อแก้กึ้อเมื่อไกว่าคนถามผู้เจ้าแสดงทำที่นั่นเรื่องอะไรถ้าตอบไม่ได้ก็เสียหน้าอุปถาขอพรผู้เจ้าอนุญาตพระสงฆ์ก็เห็นดีด้วยจึงจำได้เยอะเมื่อทำสังขนาขาดปานล้นไม่ได้ ละหานทั้งหลายเลยให้อนโนนปฏิบัติธรรมอย่างเางข้มขัดเหมือนกับเข้มแค่หน่อยอนนก็ตมามสัญญารับผิดชอบนำปฏิบัติธรรมแบบเข้มหนงวันสองวันสม ว, วันผ่า น, านไปละหลานก็ป็นไงอนนน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 ใช้ชีวิตยังไงนี่คือคนใน้ผ่านไม่ใช่นอนเฉยๆเห็นประโยชน์นตัวทมแต่เรื่องอื่นการฌานแรกอีสิบปัตนะการาที่สองที่สามที่สี่เวรรันนอกนั้วก็ไปเบเถิตะเปอเพื่อไปสอนคนแล้วกลับไปเวรรันอีกประมาณชีห้ารวมแล้วประมาณชีห้าปี นอกนั่ก็ปยสอนคนไม่มีรถเหมือนพวกเรานะมีแต่เดิเดนเท้าเป่าไปทงางไหนก็หมูชงก็ปอยเดินเท้าเป่าพวกเรายังไม่รถลนะไปไหนก็นั่งรถไปนั่งเครื่องบินไปแต่ไมหนานคงไม่มีอะไรเลยทีห้าปีจน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 มีบ้านอนาถาปิณิกาเสดฐีเป็นอมุอปถากบุปนางวิสาขามหาวจิกาใช่ไหมใช่ไห ม, มนางวิสาขามหาวจีระอยู่ที่ไหนสาวธีเหรอเนี่ยสร้างให้บุพผารามแต่มาจึงเรียกบุพผารามวิสาขานี่ไปงานเพื่อนมาประดับ